สามจุดห้ารู้ด้วยความเป็นกลางและไม่แทรกแสงขันวงเล็บเปิดยี่สิบสองตุลาคมสองพห้า้อสี่สิบเก้าจุดจุดนาทีสามวงเล็บปิดจิตใจเขาทำงานทั้งวันปรุงดีบ้างปรุงร้ายบ้างไม่มีปัญหานะจิตจะปรุงกุศลจะปรุงอกุศลไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพวกเรานักปฏิบัติชอบเข้าไปปรุงแต่งจิตเช่นจิตมีอกุศลหาทางละ จิตเป็นกุศลพยายามรักษาหรือพยายามให้กุศลเกิดขึ้นมาจิตปรุงแต่งไม่เป็นอะไรแต่เราอย่าไปปรุงแต่งจิตเพราะฉะนั้นอย่างจิตของเรามีโมหะมัวให้รู้ด้วยความเป็นกลางนี่กุญแจสำคัญของมันนะคือรู้ด้วยความเป็นกลางถ้าเรารู้ด้วยความเป็นกลางไม่ได้เราจะเข้าไปปรุงแต่งเช่นจิตเป็นอกุศลอยากให้ดีไม่เป็นกลางเราก็หาทางทาอย่างโน้นทาอย่างนี้การที่เราปรุงแต่ง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 ธรรมชาติอย่างนี้ถึงจะไปเห็นนิพพานได้จริงๆมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องยากเลยนะนิพพานไม่เคยหายไปไหนสักวันเดียวเลยนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ได้อยู่ไกลเลยนะอยู่ต่อหน้าต่อตานี้เองแต่เราไม่เห็นนิพพานมีชื่ออีกอันหนึ่งว่าวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งนิพพานมีชื่ออีกอันหนึ่งว่าวิราคะคือไม่มีความอยากใจของเรามันมีความอยาก อยากปฏิบัติธรรมอยากดีอยากโ น, นอยากนี้ขึ้นมาพอมันมีความอยากขึ้นมามันก็ปรุงคนชั่วก็ปรุงชั่วคนดีก็ปรุงดีนักปฏิบัติก็ปรุงดีขึ้นมาคอยควบคุมกายคอยควบคุมใจหาทางทำอย่างนั้นทำอย่างนี้การที่พยายามทาอยู่นั่นแหละทำให้ไม่เห็นนิพพานฉะนั้นขันห้าเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งเรียกว่าสังคตธรรมเพราะฉะนั้นขันห้าต้องปรุงแต่งขันห้าเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่ง เราไม่ได้ไปฝึกขันท่าไม่ปรุงแต่งนะเพราะฉะนั้นอย่างจิตเนี่ยจิตอยู่ในขันท่าจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไม่ได้ฝึกให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแต่เมื่อขันท่าเขาทำงานแล้วอย่าหลงเข้าไปแทรกแซงขันท่าพวกเรานักปฏิบัติชอบแทรกแซงขันท่านะเช่นร่างกายนี้มันจะหายใจเราก็ไปแทรกแซงการหายใจไปเปลี่ยนจังหวะการหายใจหายใจให้ผิดธรรมดาก็เหนื่อยนะ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 เราไม่อยากให้ปรุงชั่วเราอยากให้ปรุงดีเราแทรกแซงนะยังจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาเราก็มาพุดโธพุดโธมาฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอให้หายฟุ้งซ่านนี่แทรกแซงจิตกโกรธขึ้นมาก็พยายามแผ่เมตตาให้หายโกรธอันนี้ก็แทรกแซงถ้าถามว่าดีไหมก็ดีเหมือนกันนะแต่ดีแบบสมถะไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาเราจะให้ขันทำงานไปโดยเราไม่เข้าไปแทรกแซงขัน ใจที่มันสงบตั้งมั่นไม่เข้าไปแทรกแซงขันเห็นขันไปตามความเป็นจริงใจดวงนี้ใกล้ต่อมักผลนิพพานจิตที่มันตั้งมั่นด้วยปัญญาเห็นขันทำงานไปส่วนของขันจิตไม่เข้าไปแทรกแซงขันอย่างนี้เรียกว่าสังขารุปเปกขาเป็นกลางต่อขันเป็นกลางต่อสังขารต่อความปรุงแต่งทั้งหลายภาวะแห่งการสักว่ารู้สักว่าเห็นจะเกิดขึ้นใจจะไม่ดิ้นรน เมื่อใจไม่ดิ้นรนถึงจุดหนึ่งใจจะเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นรนธรรมะที่ไม่มีความอยากธรรมะที่ไม่ดิ้นรนคือวิราคะหรือวิสังขารหรือนิพพานนั่นเองฉะนั้นไม่มีใครกีดกั้นเราจากนิพพานเลยไม่มีใครกีดกั้นเราจากมรรคผลเรากีดกั้นตัวเองด้วยความอยากได้มรรคผลนิพพานนั่นแหละพออยากได้ขึ้นมาก็ดิ้นรนใหญ่เลยหาทางทาอย่างไรจะได้ทาอย่างไรจะถูก เวลาเรียนธรรมะก็ชอบถามว่าวางจิตเอาไว้ตรงไหนถึงจะถูกทำอย่างไรถึงจะดีทำอย่างไรถึงจะมีสติได้ทั้งวันเราคิดแต่จะทำแทนที่เราจะรู้ทันการกระทําแล้วหยุดการกระทําของใจเราเองส่วนขันไม่หยุดนะไม่ไปแทรกแซงให้ขันหยุดการเคลื่อนไหวหลายคนไปแทรกแซงขันเช่นไม่ยอมเดินจะนั่งอย่างเดียวนั่งไปเรื่อยๆคิดว่าถ้ามันอยากกระดุกกริกขึ้นมา กิเลสจะแทรกก็เลยทรมานนั่งอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนคือเราชอบทําอะไรที่เป็นการแทรกแซงขันนักปฏิบัติไม่ได้ทําอย่างอื่นหรอกชอบแทรกแซงขันแทรกแซงไปเรื่อยบังคับไปกระทั่งทําสมถะนะคือบังคับให้ใจนิ่งแต่ว่ามีประโยชน์ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไม่ให้ทําเพียงแต่ว่าทําสมถะบังคับใจไปเรื่อยๆไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานอยากได้มรรคผลนิพพานต้องปล่อยให้ขันห้าทํางานไป แล้วมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆจนเห็นความจริงว่ามันทำงานของมันเองไม่ใช่ตัวเราใจเป็นกลางใจไม่ดิ้นรนเลยตรงที่ใจไม่ดิ้นรนนั่นแหละใจจะเข้าถึงธรรมะไม่ใช่ทำให้ขันสงบแล้วเข้าถึงธรรมะนะขันก็ต้องเป็นขันขันก็ต้องปรุงแต่งเพราะขันเป็นสังขตธรรมธรรมะที่ต้องปรุงแต่งถ้าเราวางเป้าหมายของการปฏิบัติผิดเราจะเข้าถึงธรรมะไม่ได้นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะ ตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติผิดอยากดีอยากจะพ้นจากความชั่วอยากได้รับความสุขพ้นจากความทุกข์อยากได้ความสงบพ้นจากความฟุ้งซ่านแท้จริงแล้วไม่มีใครทำขันนี้ให้สุขถาวรได้ไม่มีใครทำขันนี้ให้สงบถาวรได้ไม่มีใครทำขันให้ดีถาวรได้เพราะขันเป็นของไม่ถาวรสุขได้ก็ทุกได้ดีได้ก็ชั่วได้นะแต่ความพ้นจาก shelf, ขัขข Moreover, สสสขขนตังหากล่ะคือพ้นจากทุก เราไม่เข้าใจนะว่าความพ้นจากขันคือพ้นจากทุกพ้นจากขันก็ไม่ต้องรอให้ตายก่อนนะจิตนี่แหละมันไม่ยึดถือขันมันถอดถอนตัวเองจากขันเป็นอิสระจากขันเมื่อใดจิตเป็นอิสระจากขันถอดถอนตัวเองออกจากขันในพระไตรปิฎกมีอีกคำหนึ่งด้วยในเครื่องหมายคำพูดสำรอกออกมาสำรอกออกจากขันพรากออกจากขันขันก็อยู่ส่วนขันขันก็เป็นทุกข์ไปตามธรรมดาของขัน แต่จิตที่หลุดออกมาจากขันพ้นจากขันตัวนี้ต่างหากที่ไม่ทุกข์ไม่ใช่พยายามปฏิบัติเพื่อให้ขันเป็นสุขนะพวกเราพยายามปฏิบัติเพื่อให้ขันเป็นสุขเช่นอยากให้จิตสุขถาวรถ้าตั้งเป้าผิดการปฏิบัติก็ผิดแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่ชาวพุทธทมไม่ใช่ว่าทําอย่างไรจะดีทําอย่างไรจะสุขทําอย่างไรจะสงบอันนั้นศาสนาอื่นเขาก็ทําสิ่งที่ชาวพุทธเหนือกว่าศาสนาอื่นๆ ที่แตกต่างจากศาสนาอื่นๆก็คือตัวปัญญานั่นเองสิ่งที่ทําให้ศาสนาพุทธต่างจากศาสนาอื่นไม่ใช่เรื่องศีลไม่ใช่เรื่องสมาธินะศาสนาอื่นก็มีศีลมีสมาธิแตกต่างก็แตกต่างในรายละเอียดอย่างคริสกินวายได้ใช่ไหมประเทศเขาหนาวเขาก็กินได้สิมันแตกต่างกันไปส่วนสมาธิก็หลักอันเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละอย่างศาสนาไหนก็มีเรื่องของสมาธิ มุสลิมละหมาดวันละห้าครั้งเหมือนเราสวดมนต์นั่นเองเขาจดจ่อกับพระเจ้าเขาสงบจิตใจเขามีความสุขเห็นไม่ว่าสมถะเป็นของสาธารณะสมาธิเป็นของสาธารณะศีลก็เป็นของสาธารณะนักปราดทั้งหลายยกย่องการมีศีลเหมือนๆกันศีลแตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ปัญญาต่างหากที่ไม่เหมือนกันคนอื่นสอนเพื่อมุ่งความสุขท้าวรความเป็นอมตะแต่พระพุทธเจ้าค้นพบว่า ไม่มีทางทำให้ขันเป็นสุขถาวรได้หรอกขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์เคยได้ยินอริยสัจสีใช่ไหมอริยสัจสีข้อแรกคือทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือขันห้าขันห้าคือตัวทุกข์ไม่มีใครทำขันห้าให้เป็นตัวสุขได้แต่ว่าพวกเราที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมักจะมุ่งหวังให้ขันห้ามีความสุขเราตั้งเป้าผิดนะยางไรก็ผิด ทำไมเราอยากให้ขันท่ามีความสุขเพราะเราคิดว่าขันท่าคือตัวเราเราจะเสียดายมากเลยถ้าตัวเราหายไปฉะนั้นเราจะรักเหนียวแน่นที่สุดเลยว่ามันคือตัวเราเพราะมันเป็นตัวเราเราก็อยากให้มันมีความสุขเพราะไม่รู้ความเป็นจริงคือมีอวิชชาไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าขันท่าเป็นตัวทุกข์คิดว่าขัานท่าเป็นตัวดีขันท่าเป็นตัวเราก็เกิดตัณหาเกิดความอยากให้ขันท่ามีความสุขอยากให้ขันท่าพ้นจากทุกข์ พอมีความอยากขึ้นมาจิตใจก็ยิ่งดิ้นรนดิ้นรนแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ที่ปฏิบัติธรรมกันแทบเป็นแทบตายพอลงมือปฏิบัติความทุกข์เกิดขึ้นตั้งเยอะแยะเลยความจริงต้องการพ้นทุกข์นะแต่ยิ่งดิ้นรนมันยิ่งทุกข์พอยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นนะนี่วัตถสงสารหมุนเวียนอยู่ตรงนี้เองสังสารวัฏหมุนอยู่ตรงนี้เองเวียนไปเรื่อยๆไม่มีทางสิ้นสุดเลยแล้วก็ดิ้นว่าทำอย่างไรกายนี้ใจนี้จะพ้นทุกข์ พนไม่ได้เด็ดขาดแต่ถ้าปัญญาแก่กล้าขึ้นมาเห็นขันก็ส่วนขันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยคืนขันให้กับโลกไปคืนขันให้ธรรมชาติไปคือคืนก้อนทุกข์ให้โลกไปนั่นเองโลกนี้เป็นทุกข์นะคําว่าเครื่องหมายคําพูดโลกกับในเครื่องหมายคําพูดขันก็คําเดียวกันนั่นแหละบางทีในพระไตรปิฎกก็บอกว่าโลกคือหมู่สัตว์บางทีก็บอกว่าโลกคือขันห้าคือรูปกับนามมันคือตัวทุกข์ ฉะนั้นหน้าที่เราคือเรียนรู้ทุกขรู้กายรู้ใจไปด้วยจิตที่เป็นกลางคือรู้แล้วไม่แทรกแซงพวกเราตั้งหน้าแทรกแซงลูกเดียวเลย บ, บังคับเขี้ยวเข็นอยากให้ได้มรรคผลนิพพานอยากให้ดีอยากให้สุขอยากให้สวยมีแต่แทรกแซงพอแทรกแซงมันก็คือการกระทำกรรมก็มีวิบากมีความทุกข์ขึ้นมาอีกมีกิเลสคืออยากพ้นทุกข์เกิดการกระทากรรมเกิดวิบากมีความทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าเรามีกิเลสอยากปฏิบัติแล้วมีสติรู้ทันความอยากดับลงไปไม่มีความอยากปฏิบัติแต่รูปเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกเองไม่ได้จงใจรู้สึกรู้สึกแล้วไม่ทำอะไรไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปทำอะไรกับรูปกับนามกับกายกับใจรู้ลูกเดียวรู้อย่างเป็นกลางใจที่เข้าถึงความเป็นกลางจะไม่ดิ้นรนใจที่ไม่ดิ้นรนนี้แหละจะเห็นนิพพานฉะนั้นพากออกจากขันเมื่อใดก็เห็นนิพพานเมื่อนั้น พากออกจากขันไม่ใช่ตายนะถ้าใครภาวนากับหลวงพ่อไปช่วงหนึ่งจะเห็นตอนตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกที่พวกเรานักปฏิบัติธรรมคือหยิบฉวยจิตขึ้นมาก่อนกลัวไม่ได้ปฏิบัติกลัวหายกลัวจะหลงไปคว้าเอาไว้แล้วมาดูใหญ่ศึกษานึกว่านี่คือการปฏิบัติธรรมนี่กําลังหลงอยู่แท้ๆเลยแล้วไม่ได้ดูอยู่เฉยๆนะบีบเค้นมันทั้งวันเลยเวลาตัณหาเกิดทีหนึ่งก็เค้นทีหนึง่งตัวมันเองก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเป็นภาระ มันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นภาระไปหยิบฉวยขึ้นมาก็เป็นภาระเป็นทุกข์ขึ้นมาแถมยังไปบีบไปเข้นด้วยตัณหาอีกมีทุกข์ซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกดังนั้นอย่าไปหลงกลนะให้รู้ลงไปรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นจริงๆรรู้ด้วยใจที่เป็นกลางบางครั้งรู้แล้วใจไม่เป็นกลางห้ามไม่ได้เพราะจิตใจก็เป็นอนัตตาเช่นพอมันเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมันอยากให้หายไม่เป็นกลางก็ไม่ว่ามันนะ ไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางให้รู้ ท, ท, ปปทันความไม่เป็นกลางนะความไม่เป็นกลางดับไปมันจะเป็นกลางของมันเองเราก็จะรู้ทุกข์ด้วยความเป็นกลางหรือความโกรธเกิดขึ้นมามันอยากหายโกรธให้รู้ทันความอยากหายโกรธตัวนี <fella> ้ไม่เป็นกลางพารู้มันนะความอยากนี้ดับไปใจก็เป็นกลางท่านบอกให้รู้ทุกข์ละสมุทัยใช่ไหมรู้ทุกข์ก็คือสภาวะของรูปธรรมนามธรรมที่ปรากฏขึ้นมาให้รู้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 มันจะวางเป็นลําดับลําดับไปขั้นแรกมันจะวางกายก่อนวางความยึดถือกายก่อนเพราะว่ากายดูง่ายว่าเป็นตัวทุกข์เห็นว่ากายนี้มันทุกข์ดูง่ายยอมวางเวลาเจ็บหนักๆเคยเห็นไหมตามโรงพยาบาลคนไข้เจ็บหนักอยากตายเมื่อไหร่จะตายโว้ยเมื่อไหร่จะตายโว้ยไม่รักกายแล้วเพราะกายมันทุกข์อย่างนี้เห็นแต่ไม่รู้สึกว่าจิตเป็นทุกข์มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติ พวกเราดูมาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองนะมันไม่อ้อมค้อมวันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้โสดาบันวันใดไม่ยึดถือจิตวันนั้นแหละเป็นพระอรหันต์เพราะสิ่งที่ยึดที่สุดคือจิตนั่นเอง